มันไม่มากต้องบูชาบุญมันพ่อชี้ใจเนี่ยได้ไก็ต้องเอาขายของด้อกันเมืนใบหนะหาระบาทว่เอาแล้วเข า, าวาดเนี่ยเขาเอาจะใบระบาดไปมันถือมันขายม่นกินหายยเคือมันเอาทําบุญบัาขาดทุนนี่คืออาภรณ์อันเดียวกันทําลงในใจ ท้าบุญบอยใจก็สูงขึนบอยทําบาปบอยใจกับต่ำลงบอยใจบัญชีน้องรับท้าบุญทําบาปถ้าใจพ่ดกจคนเฮาเกิดมาละชัวทําหนีพระสิดีมาแต่ได้ทอกเฮ้ยเป็นพระอหันมาแต่ได้ทอกะคนมันม่ออก มาพอายามสั่งเอาไว้ว่าเขียนอันออกตรงนี้จนที่ตายหนังสือข้อทั่วเป็่นอาจารย์เพื่อให้เวทข้อดีเป็นนี่ยนอาจารย์เพื่อจะให้ปฏิบัติเอามันก็ไม่มีไม่ทั่วผู้คนเนี่ยคนทั่วปฏิมาบวชใี่ยังคนที่เอาคนมีกิเลสมาบวชคนมีกิเลสทีมาบวชตายยังเขาสูคนที่พัาดตัว พระไตรพิโลาสองแคนสองมือหนึ่งพระไตรพิโลกพระพุทธเจ้าประเทอยู่ซีมหาภาษาประเทศน้ำหนังหุ่มย่นนี่แหละประเทศแบบอื่นนำน่องหนังหุ่มนี่แหละฟักล่งเอานี่แหละเป็นสิน้นฟักตะเคียงตยไตแปลว่าสามไตพิโ ก, กายไตยพิโกว่าจางไตพิโกใจวนี้มันกัดหัวหนอนนี่หน ความดีกันยินงจะข่าวเป็นเหตุข้าวปะสวัลเนี่านมันข้าวเช็นซาข้าวทัวเหมือนข้าวโตแต่วโรคมารวมหกแต่มันข้าวโตซาคนห้ามีประวัติทุกคนสีเล่าหรือพกเรามันก็มีประวัติความดีคนทัวมันเป็นประวัติทุกคิดทุกใจห้ามั่นผู้เอื้อผู้คนจักประวัติเข้าห้าม้คนจักประวัติเข้าู คันท่าพอดีึ้นนามันกับพร ะ, ระดมมาดชะบวชแล้วมันก็ตายยโลกคนมันก็บ่าา ร, ร, ธธะระด้ละขาดรักลักตาปุถุพิเศษในขันน่ะมันก็ดีึ้นนาแต่ว่ามันยังได้เหตุมันยังได้ปฏิวัติเส้นธรรมโม่เฮาขันท่าเฮาเกิดบ้าแต่ในน้อยคนเฮาเิงหุ่จักขีดังนอย่างเงี้ยเยอะเ่เฮาหุ่จักบาปปุถุพิโทษเฮาควายละปฏิวัตเล็กเลน่อยเนี่ละกะละไงเฮาเนี่ปฏิวัติกปะปฏิวัติไงเฮา มันเป็นปฏิบัติไงผู้อื่นจะเแ็นอัตนวนาโถวตนเป็นที่พึ่งของตนใจเป็นที่พึ่งของใจหลังพึ่งตนจะไม่จนงง่ายห้องพึ่งผู้รองพึ่งผู้อื่นก็สมประสงค์บ้างไม่สมประสงค์บ้างพอเียพอแม่เลียงไม่ไงมีอะไรกระทุมเทพวัดแห่ห้าวแล้วรถกระบอกสอกก็ะบางไหม้ห้าววะล่ะทรัพย์ชิ้นชิ้นข้ามวรวางก็ดี เรียกปากเรืียกท้องค่าดีอยอะแยะปากพคนได้ ใ, ให้เอาคนกันแต่ค่ายออกมา่บานนี้ห้าก็ท่ำดีเอาที่ห้องใต้อกมันตามสตียห้องเล่าควบดีควบซัวบริมหากระดิษณ์ฝ่าอากาศมาจา่จากยิดจับใจห้องเล่าพระพุทธพระทรรมพระสงฆ์ออกแขนยึดแขนใจไว้แล้วเท่าถือผี้องออกผีแข น, แขนใจไว้เท่าถือสยศาสตร์เท่าเก่าเสยศาสตร์แขนใจไว้ เท้าซื้อตนใหม่ผูเขาเป็นที่เพิ่งเท้าเกาตนใหม่ผู้เขาแข็นใจเไว้นี่เท้าวายอมเอาอันอื่นแข็งใจไว้ย่อมเอาพระพทธธรมพระสงค์ธานศีลพระวนาแขนใจไว้เอาเฮ็ดิงพระเฮ็ดิงของก้มดีท่อนควดีไว้นี่เอาไว้อื่นมันหามันหาไ่เห็นขันเอาไว้ใจ ม, มันหาเห็นขันมี้มันก็มี้ย่อได้ใจขันบ่มี้มันกะบ่มี้ย่อได้ใจเอยถามใครมันก็บอก ทามตาทามหูทาดินทามน้าทาพุ่มไฟทามร่มมาไฟหนอกมันกระเบอกดินน้าไฟร่มไว้เจ้าค่อยด้ทาบุญเชื้อโบเจ้าค่อยในราสวัฒน์ทดีโบมันกระตอบว่ได้เพราะงายกิจตลาดตัวเท้าโตโตตอบโต้ยี่นี่แหละตัวส้อนโตตัวไข่ตองกระตากยี่นี่แหละเพื่อได้ไข่เพื่อนกระตากเพื่อนั่น มันแทบบุญมันกระตาบุญห้มันหุงจับด้วยมันแทบบาปมันกรตากระบาปไม้มันหุงจับด้วยมันกระตาเพรออกว่ากมันกระหงจักของมันอยู่เพราะฉิ่งหงจักพอใจใจที่เป็นโรคจี๋ใจที่เป็นโรคอุตละทหวังคนทุกนายตาท้องสารทหวังยินดีในพระในพระนเป็นยอดของความหวังเป็นยอดของความหมายเป็นยอดของคิ้วเป็นยอดของสัจจาปรเมษัมปโน เป็นยอดของอธิษฐานรารมีสัมปะโนเป็นยอดของการเป็นยอดของงานงานอันนั้นเป็นงานเลยก็มังอันนั้นเป็นความวังเลยเจตนานนั้นเป็นเจตนาเลยข้อประสงค์อนั้นเป็นขาอประงค์เลยมั่งกรรมฐานั่งเดี๋ยวมังกับว่าขาสองสหัวนึงนี่ะกรรมฐานนั่งขึ้นฐานอันนี้แะ เีถ้าบุทาบายไก่ฟ้า้าหิ้มตาปะยนผู้ผู้กับ่าทความดีให้ประยเดินเียงเินเียงกับ่าทำความดีให้นั่งรถรถกับ่าทำความดีให้รถกับว่าภาวนาให้นอนหลังกับว่าภาวนาให้นั่งก้นกับว่าภาวนาให้ยืนขากับว่าภาวนาให้งางขากับ่ภาวนาให้ กำลัง ใ, ใจของเกขาเน่ยตูเห็นมันขึ้นลวงไปกินชีวิตของทรัพย์ทั้งหลายมันมันลวงไปที่ซื่อกินมัดไตโลกธาตุเน่มเอ้มมันขึ้นกินชีวิตของทรัพย์ทั้หลายกินหอดชีวิตของเ ท, เทวเวดาพระอินทรพระ พ, มมพุทธพระยมประกาฬจะรั่วกระบาดทาัานซีหุ่วันขึ้นมันกินชีวิตเนี่ยต่อท่นเซมีชีวิตยื น, นว่าเฮาก็ตามต้วนเวลาก็กินอยู่เวลามันลวงไป เมื่เวลาเป็นขึ้นกันโนมิกินทีวิตย่วัด้นสะพานยพาณ์มันเดียวเพราะขามแล้วขามกายทีวิทย์จงขามเนี่ยกลายโลกไปแล้วเปลี่ยนจะกายเดี๋ย่พอเห็นโรคพอแห้งเลยดีถ้าโคโลกมี่ซ้ำไหนหุงจักมัดล่ะจังค่ายควบเม้าได้ พของโลกมีแต่ทุกข์ล้วนๆจนม่อนาของไส่พอะโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยทุกข์กองทุกข์ได้ชวนทุกหนทุกหลายพิจกันเน็หน่อยก็ตามก็โลกมาเป็นทุกข์เเดียวกันท่านแหละมนุทุกข์สวรรค์ทุกข์ นรกทุกประเทศให้ก้มงูในนรกเนะี่ยยินแต่เสียงห้องเสียงข้างไม่ได้ยินเสียงสวัสดีไม่ใช่ด้วยไม่ได้ยินเสียงคุณปา่าคนลุงคนอาคนอาวเอียงไม่ได้เสียงห้องเสียงหายบ่ ม, มีกังคือเว้นกังคื น, น, คนไม่ได้เสียงจมในมหาวิบาชไตรลกกภวิธานโอ้ยพญาย่อมเอ้ยมาสั่นย่อที่แคผู้ฆ้าเดือดร้อนร้ายมาสั่นผู้ฆ่า เกิดมาในมนุษย์โลกก็ดีหรือในเทวโลกพวกมาโลกก็ดีผู้ขาดสิสามทศกุณศทิท่านดอกท่นผู้ขาสิแคททิลาบแล้ววะท่านโอ้ยขามีอันเดยวหรอทข้าพระเจ้าข้พระอยากทำลายแกพวกท่านดอกแต่กรรมของข้าพระเจ้ามีข้าพเจ้าก็ได้ธรมะตามคนตามไม่กรรมคนละพอท่านข้าพระเจ้าพระเจ้าขัดทรัพย์ที่เวดดอกแล้มีผู้ขาัทรัพย์ที่ข้าพระเจ้ามันดีใจน้า นักทรัพย์ผู้เพชรเนี่ยจำกว่าดีข้าพเจ้าพระดิษฎกแต่เมื่อผู้เหตข้าพเจ้ามันยินดีน้ำจำอันใดแล้วว่าบรรดาเนี่ยข้าพเจ้ามาเป็นพญาโยมโยนี้วะฉันแล้วมู่โตนั้นผ้ากัะตั้งใจขาอี๋หันวาฉันกระกำของไฟของมันสวยเอาวะฉันคอยก็ะเียมาเป็นหน้าคุ้มบอกเจ้าเฮียมันห่อนตายเวาฉันเหย่งไรว่าเปลี่ยนเฉมาดตีข่อยก็บอะไรวะฉันแต่ผลของกระกำของไฟองมันบรรดาเกิดขึ้น มหาวิญญาณรกคนแห้งนักสายก็เกา่าลอยมือลอยขึ้นในมนุษโลกจึงเป็นวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในมหานรกคู่นทวิไปควบขัวมันพงคืิดอยู่ใจเท่าสักวันเนี่ยข้อสางควบัวไว้กวันมันจังเกิดคนควบขัวในนโกไหว้อสางควมดีสักันมันจังเกิดเป็นควดีไว้ในเมืองสวรรค์ไหว เาถางใดมันนัยนมนุษนิดละมันเกิดไปแล้วมันเป็นของทิพย์ทั้งควมดีคนบส่วนควบส่วนก็เป็นของทิพควมดีก็เป็นของทิพมันทิพย์แบบคนละข้างให้ผลแบบคนละข้างทุกซี่ทุกยงย่างพระองค์เจ้าเขาสั้งสอนทัางไว้เบิดบะมี่เนีย่ยคัดกล่องเลยมีแต่ห้าจับมาใส่จับมาใหม่จับมาปฏิบัตาิาน่ะ คำว่าคุได้โยไซนันเดี่คุว่าหองเจา้าคมว่าตาได้โยไซนันเดียตาคำว่าเงินได้โยในในไซนันเดียเงินทรัพย์สมบัติพตระพรุทเจ้าทุนเที่ยวมือห่อพอแม่ปันให้ปันน้ายเข้ากันว่าสำคัญเดียวกันกูได้หน่อยมึงได้หลายมันเหมือนเป็นกูได้ชอบปีกนกนี่มึงมันได้แควันน้ำหงดีเพราะว่าทรัพย์สินก็คือกันเงาเอื่นมคือกัน งแนนนขนกอง้าซือกันอูได้น่อยเมื่อไรๆนี่พอพออยางใดทำหนเห็บเอาวัดไตรกกราก็บววัดเป็นคำสอนหลวงพตาเจ้าความดีผู้นังเขาออกไปมัดเดียวพระอรหันต์พก็หอบไปมัดว่าได้หรสูตองตะขอเอาน้พ่นพุ่งพระสอนอาวพก็หอบไปมัดหลือสูตองตขอเอานพ่นพ่ออกด้อว่าังฆองเจ้าว่าด้ว่างองไฟ้องวัดมัดป่ว ซับมันมัดเป็นคือค้อดีในะครับถ้ามุสสสานพะเยาเอาหลายก็ได้หลายพะเยาเอาน้อยก็ได้น้อยมันคือรับพายนอกซับภายนอกมีเงินท่องอเมรมันมดเป็นปั่นกันแกเป็นใครโยนแต่อำนาจก็มาบั่นบดเทียงอีกสะวดธรรมะของพระองค์เจ้านวสาวพระสุนทรใช้นิรตัวไปทุกภพทุกสากตลอดจั้งภริพา แค่พอเอาเข้ไปคนตาบอดหูหนวกวเราไว้เรียกว่า บ, บุญผสมสทัพย์พระพุทธเจ้าบุญผสมส่งกับพระด้นลุงส่งบุญผสมเสือกับพระด้นลุงเสื่อสมบัติท้องเฮ้าขอผสมนังแก่ผสมานะแก่จะไปรรถือศาสดาอื่นเลยสมานะคือศาสนาพุทธมันสาบาลานีมาแก่ก้าวเขาแห้ง่ะมันกกเนะป็นคนสมควนเขาแห้งหรอ่เานัจังเลเกิดมาพบพุทธศาสนาะ ขคนพนสมควรได้จ้างมันก็บผ้ดมาเกิดพุทธศาสนานี่สอนไดเห็นว่าเป็นสมควรแล้วที่รักษาความสมควรของตของไห้หรือไม่นี่เท่ากันนั้งเรียนหืหมันสูงขนไปหรืไม่เท่ากันนั้นเรียนสิว่าผู้บอกด้ยผู้ใดมากผู้หวังจผูเเรียกกระพาผู้นั้นบาปด้ขีบาผู้ใดเชื่อสัิที่สัเดอผู้ใดมากผูกเรียกกรพาแล้วผู้นั้นบาปหรืพระพุทธเจ้าสอนน สอนายมากวัดละเนี่ยมันดีอันนี้เป็นสอนบัดเขาที่เอาหรือเปล่าเขาเอาเขาเรียกว่าประมาณสัพพทุติเจ้าพพพปุติเจ้าปรได้นรั่องย่างเขาก็ไหายห้ยมัดห้เสมอพากันมัดหลอดหิบหิบเอาลูกไอ้ล้านด้วยไอ้ท่านผู้ใดมีกำลังมากให้เอามากท่านผู้ใดมีกาลังจนใจไหมท่นพอป่ะเด้หของนายหิบเอาไหมท่นเมื่อใดมัดเป็นดักเเถ้อ คำสอนของพระพุทธเจ้าคือธรรมะพระเนีพยผ่านกับว่าอังจัเคืออังเทเทวโลกข่มโลกอังตะมานุโลกเขาเนี่ยเกิดมาหลายอังกันพระนี่านว่าไม่เอัณอังเพา่มีบาทมีเฮิร์เนี่ยไม่ตะข้มสุข ร, ร, รวนเพาอังไ ป, ไ ป, ป, ปเท่าไรก็มาถตงมเตึงจักรเทียบวยันหยัจักรเทียบม่ได้จองที่ดินที่ให้ที่หน้าที่หัวที่สวนไว้ซ้ำว่ามีอันดับกัน เม sure. ื <an> ่อเนัำว <varsa> <learn> ่าเก้าอี้น่ะเก้าอี้น่ะเก้าอี้นี่มันของพระองค์เจ้าเก้าอี้นี่มันของพระชาดาบุญบกกระลาบวเลวเขาสูญญาฝันอยู่บนนเดียวกันบัสหรือว่าภกันบัดทั้งสาวกทั้งสาวิสาบนี่เสอยเงียบเงียบบม่ได้บอม่หิวไม่อยากไม่หนาวไม่หอบไม่ดีไมีสบายบริเนกใจหิวอยากหรือยังพระมันพ่อเลยเมื่อพ่อมันอยกหุ่น ไตโกรกระแทกหนึเมืองอยากได้อยากได้ปมันมันอยากได้ทาไฝ่เ่ยัอยากได้ไฝ่นยางได้ของีเป็นช่วมากอยากได้มะขคนเนี่พา่านยังคยอยู่อยากได้ผลอยากได้ทั้งบาปผจะทั้บาปหลายวามู้เฮ้าเนี่ยัง่ายงามละละบาปบางเพื่อนบุญเป็นครัสอน้องพุทธเจ้าทั้งหลายงอยง่ อ, งองมางอนงอนบ่ หายเข้าขคั้หนึ่งคบพระพุทธเจ้าทคบพระองค์หาประมาณไม่ได้ร่มหายใจออกครัง้งหนึ่งกับพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ถราถ้ำหาประมาณไม่ได้ถ้าสงก์หาประมาณไม่ได้ไไดไไดจึงเป็นทรรมนเดียวกันไม่ยช่ทุกกาลทุกเวลาเลยบรรยากาศนั้นยิงจะมีการนี้ยิงย่งจะมีให้ระลึกถึงเป็นพ่อลึกถึง คุณผุดโท้คุณพุดโตยยันสือมีบะแมี่มีอุตกรมุขันดาฤกษึก่นขันบะมี่อุตกรนาฤกึกมันสิอะลรหรือใดบ่สารางออกบาเป็นตัวจังไงครับมว่าก็เป็นตท่อเข้าอ่อนหเข้าเฮบาปมันก็เป็น บ, บาปมันโตบุญเป็นตัวังไก็ตัวท่อเขาอ่อนเฮบุญตอนไหก็เป็นตท่อเข้าตอนนั่นแาละเฮียบาปตอนนี้ก็ บ, บาปท่อเข้าอ่อทอโต้หอดท่อชิดทอใจเขาอ่อนมือเข้ากับหาพางกับดูว่าิอเหนือยในโลกนับศาสนับก็อะไ หาผมหาขนหาเร็บหาฟันหาพางกระดูกมากมาถิ่ ม, มไว้ในวัต้องศารเลี้ยบ่ามากข้าพายผิตัวในหลกอันสวงหาบุญก็ได้บุญยใจผู้แสวงหาบาปก็ได้บาปยุยใจอู้แสวงหาตกก็กได้ตกยุ่นใจผูตแสวงหาความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ย่ใจในหลกอันนันเป็นข้อทิพ มม่หน e ึ่ม um. ่หนึ่บูซาพระพุทธเจ้านีสบูซาเข็ดบูเฮาโม่หนึ่งโมอนึ่ม่หนึ่บูซาบัสหน้าใจโลกธาตุอบูซาพระพุทธเจ้าบัสบูซาพระพุทธธรรมพระสงฆ์บลก็บูซาเอาบูซาพูดเดียวเมื่รหลักของคนไดของรเจาก็ยังคือเราพระเจ้าบูซาบเยป็นเอนันบูซาบัเา ถ้าคนละกายท้าคนละวาจาท้าคนละใจซึนงกันบูชาบัตบูชาพระคุณพระท่านผสมบัตแล้วระลึกได้ระลึกได้สตรีผูขาจองขาแล้วเอาไปเทปเทปเทปเทปเทปบูชาโยตุมงาบ่มีปมานะระลึกได้ระลึกได้ก็รีผู้ขาดจองขาดโยตุมงาอะสั่งสัตยาธิฐานมาแล้วน้องเป็นขายเป็นหาตุโยตุมงาหน่ออ้อมหนออ้อมลาวขับงาโยทุมงอ เรีนสมมติเเป็นไม้เส็ก้นพระพุทธพระธาตประสงค์ผลสมมติแห่พระพุระธาประสงค์ฉีสปาคืนกินพ่อขมวดมัดปอนันบ่ได้เกยบัดขงยงขงยงบ่บ่ปอนันบ่ได้สมมติเป็นลูกขลาทิฏฐานมันเหร าาส่วนธรมานที่ตานก็เป็นเรื่องห น, นึ่งนี่สมมุดเป็นบุคคนาธิฐานผูกขัวลงเลือนมากเหมือนนี่เมื่อไรหาทิพย์น้นท่ากัแจง้งเครื่องขาวมาเพราะว่าเขาหลงงอเล่ที่อ้สมุดหนานี้วสาสนอตัวแต่ขีาักักนคึ่งยิงคึ่งหงมวอยากเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงค์ไ ป, ปไวก็ไหวแ้วพักกันเข้าหาพระพุทธศ า, ส, า, านสนาระบาดนี่มาเสน เพื่อฆ่าะตปปะโกนลูกเพ่อกปริญญานั่นปริ ญ, ญญานี่ยเพื่อมาจากวายหมดว่าเมื่อกี้ว่าสมหนนาฏิวัฒนตัวไปพรรอดตกโูงหาพระพุทธศาสนาแลวสมุนนาฏาิวัฒน์ตัวพระกัดหัวท่านเช็ดี่วัติ เ, เ, เ, เ, เขียมบวกเขียยได้หรเปากคู่ลงเลียดมาปกคู่ลงเลียดมหาแต่ละข้างมากเลยลอยหาสิกน ศาสนาพุทธกำลังไม่วาสนาตัวเนี่ยคนมันเชิดเทม า, าะมันไปวัดตัวอนันธูนาแล้วโค้งว่าระบาดโค้งมหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระบาดค่อยถือว่าอันบมีบาปมีบุญมันถี่เจริญมันไปบรสิสุทธิซะขึ้นมาหาบาปพระบุญเขาเกาสุดตัวละแม่นว่ล่ะไปบตญเพีบหรือล่ะ บางไฝขืนย่างเต็มที่เลยมันมดือแล้วมัตก็มากที่านยอะน่อยย่างหังกันนะไหวบาดี้คนเฮามันเห็นโทษตอนนั้นมันจัเสียนขุนตอนนั้นพระพุทธเจ้าเห็นโทษพะก้อนจังเห็นขุนพระพุทธเจ้าผ้าหลงพระตะกอนเพิ่งกะหลงเือกันนะพระพองค์เจ้าพรเพิ่งเห็นโทษแล้วเพิ่ก็เศร้าหลงมาสอนหมู่เฮาหม่เังเสีย่ากเป็นพระพุทธเจ้าลูกเพิ่งกระางมาแล้วไม่ามาพระจักรทาใดทศใดล่ะ ถาเป็นส้วนนะสามพระอนุทินได้พ้านพระอนุทินลวทำร้ายพระพุทธเจ้าก็สนัะ่ลองสอนยม่ายยมายมาันจะละมาละมาละมาเพื่อนกันได้เป็นอุปถากพระองค์เจ้าแสดงนี่หนักความพระนิยามถ้ำดี เป น, นอยอดของคว่ำพราะง่ายๆเน่ท่าของนักป่าและของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคว่ำดีคน่ดีทําหง่ายคว่ำดีคน่ำซัวทําไหนยากคว่ำซัวคน่ำซัวท่ามไหนง่ายคว่ำซัวคนดีนดทาา่ทาไหนายนนากจะห่างมืมลีววิสัยแต่มันเหลียววิสัยใช้ก็จ ะ, จะไปมักผลที่พลาดในกับเพื่อ มันบวเหลียววิสัยตวัวก็ค่อยไปในฝนในผ่านาได้กันจิตก้าตัวขรางขวาของพุทธเจ้าก็นของเหลียววิสัยนั่นก็เท่ากับว่าแต่ตัวของพุทธเจ้าโงูสัตว์ทั้งหายว่าสามารถจิตปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าหลวงโงูสามวารมีมากมาให้คนปฏิบัติว่าใดแค่ก็เท่ากับกล่าวแต่ตัวพุทธเจ้าเป็นคนโง่พระพุทธเจ้ามองเห็นอยู่พวกเขามีเนื้อใส่มีอยู่โยผลมาเขาสามารถมนุษย์ ที่สร้างได้เยอะเพราะสรามขวดีมันขีดแล้ววิสัยของขั้วหยียดอ่ะสร้างขั้วซัวมันจังเหลือวิสัยผลหวังมัคนเท่าใจถึงทั้งคั้วดีมันขีดแล้ววิสัยยังไงใจถึงกับสุดทั้งซัวมันจะคอยเหลือวิสัยผลหวังอ่ะทั้งดีมันเปยังสังตีเห็ดยากผลหว่ะมันสบายก็จะตายไป่เฮ็ดชัวจะไม่เหตหยากเอ้อ ไปคารัดไปไรเงี้ยบ้างลูงงลกในรมทุนจังปลาส้วนงูสันจิตตากิศิย응เฮ็ดบุญนี้เนี่ยปลสวนพวกได้กระไรว่าพุทธโทยไมได้กระไรอยู่ไม่นบ่ปัญหาเครื่องกินเครื่องมือเลย응นั่นนึกพุทธโทยไมได้ก็ะไรอยู่นึกควบสวกกับนึกไงขนาดห้าจิตตัหกหจิตปอดมื่งเพราะว่านันก่อดหน่ายปูเรน่าเพราะว่า แต่ใครคนจ้งกันเนี่ยหรอใครผู้ใดเคยภาวนาอะไรภาวนานัไนหลักมันจำคนเป็นไม่ร้อยหนามันจำคนเป็นคนอยู่เปาๆโมไี่เพิงคนมมีขอวัดคนมาคนมันไม่ไหวพระสวดมนมไม่ไหวพระบเลยรื้อถือมันลงปฐมประสงค์คนมัมีขอวัดเห็น คนคนมีวัดวัดตลาดบนวัดตัวเรียบวัดตรงต่อกับตัวลอจะลั่นตัวต <Yes, S 1> ัวเตาวัดไปวัดข right? right? so ่ววัดข่าวัดปธิบัติไปสัางเทพล้มภูมันข่าวไปในตัวกําลัลดลงลดกําลังลดลหายใจเขาออกหมดเพื่อนว่าเรอยน่าไหนตัวก็งจัด จากเศลงของตูกำหนดร่ำไห้จเขาออกรถ ด, ดูนั่นกรรมฐานของพระทั้งมันรลวโวหารกันยังมาววหารหานลงมาใช้กรรมฐานห้องที่ต่ำไปอ่ะวัวหอนก็หอลงมาใช้กรรมฐานห้องที่ต่ำไปอ่ะฐานที่ห้องต่ำไปกัมือว่าไกลไกลฐานหมยังกวง วั น, น ไ, ไหนวันหนึ่งเป็นอารมณ์มันถืถออุทธิยากเขาไม่ได้ยืมเพื่รยืมก็หายใจเจ้ามาพระวนาเนี้ยยืมห้างกระดูกเจ้ามาพ่ อ, อนหน้าเ น, า น, น, น, นี้ยยืมผมผลแล้วฟันนังเน่าเอ็งกระดูกเจ้ามาพ่อหน้าเนี้ยอยเชือเอาไปส้งดอกวาด้วายืมอันนี้จังทุกครั้ง อ, น, อ, อนัตตาเจ้ามาพระวนาเนี้ยทุกครั้งอันออนี้จังอนัตตาคพ่อเนี้ Mike, ร่างกายนี่จะของมันของเทียงนี่จะของเป็นสุกนี่จะของเป็นตัวเป็นตนบอกได้ใสฟังบอกว่าให้แกก็ได้บอกว่าให้เก็บก็ได้บอกว่าให้ตายก็ได้เขาเขาม่ได้ว่าไมยู่นําห้ห้องนี่ยังบัดไม่ได้ยืมผู้ใดเนี่ยนี่บริบูรณ์เนี่ยที่มามนุษย์สมบัติแหมสมบัติมนุษย์ี่บริบุรณ์เนี่ยว่ากเป็นบ่ปไปเคียจริตเป็นมนุษย์นี่อิสริทั่าดีเขาได้คิดได้ใจจะพร้อในยูค ่มีแต่อิสระที่ทาสัวใช้คิดใชจเฉพาิตใจเฮ้าว่ามันคิดใจหมาตัวคิดใจดีเฮาจิตใจมนุษย์แท้เฮ้ า, าพระ ย, ยามทำความดีใที่ิตใจเฮาเป็นมนุษย์จำพวกเดี้ยบอกท่านว่าพระยามทความดีดใจนันมนุษยสารปิราโภว่เป็นมนุษย์ได้ลาภย่างยิ่งพันว่าฮักในโลกเดี๋ยวพระเจหักตน มันท่ำกานดีก็เรียกว่าฮักตนมันท่ำกระชัวก็เรียกว่าเบียดเบียนตนไปมานี่แล้วเขาหงกันเนี่ยชาวนึงนั่งชี้ไปน้ำกันแบ่งกิโลบินมาก เบียรมามาต๊มนจับิมฟอยู่ท so ้าเนนอยผู้ยน้ำเนนหอยเขาบดเบิที่ไหนห้วยไปเรื่อชีบกเท่านี้้งเขาบังตได้หรือเปลจับขี้รอเลยชิบจับแม่ต้อนชินเชฟเฟยจับเ้ยอยู่ทำไมถ้าวไนเนียนหนอยผู้บรรณาเหมือนเบิ่งอยู่นี้ อันไหมันสมประสง์เอาากก้าในสักคนแ้งกายเานึ่งย่งมันสมประส ง, ง, ง์สองงสงเอา้เอ า, าหานึ่งอย่างสองอย่างสอย่างเอ้าอย่างเอ้าหาอย่างเอ้าต่ห่งีมันจะมันสมประสง์มันสมประสง์อย่างเอาหลางกายเขาเลยเอ้าคือหน้ามงดู่มีหน้าสมประสง์เมื่อชนพัดผาไปตาเขาสมประสง์ หูาับผสมผสมดังเาับผสมผสมนี่ตะแนวแกแน่จิตแกจะ เ, เก็บจะ ต, ตา ย, ยนะทั้งนั้นมี่จะแนวสิริโยคพัดผ่าจากกันทั้งนั้นเนี่ยห้องฮักแค่ห้องคำนัดยี่เอาสมประสงค์อย่างบอกมีขันโม่คือเทียนหลาดเอานัน่ะเป็นตัวศีลอันนั้นเป็นตัวสมาธิอันนั้นเป็นตัวปัญญาอันนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สับใด้แม่มันเสียท่อคาสอนในพุทธเจ้าบอกตกหนามมันหายตกไฟมันดับตัวสับพ่ายน่องคำสอนในพุทธเจ้าม่นไปใส่ไปว่าตกหนามกับว่าหายตกไฟกับว่าไมเนี่ยโจรกับ่าักได้ออไปออกมันเป็นของเจริอย่างยืดเนื้อทำคาสอนจะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเขาขสู้มันาผานปรังเขาบได้เอาคาสอนไปทำอะไจีงไ่มือถูกแล้วะ ท่สอนนั่นจะเป็นมวรดูของท่านทั้งหลายท่สอนแต่ละวันละบาบเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งละคนวางสิการครบแปดมือทีอออพทอ่พระท่ามาขันกับพระพุทธเจ้าครบแปดมือที่ยพันธมาันองค์คนวางิพรท่ามัน่กันพระสงฆ์เ่กันน้ำพม่านมันไม่ได้คนวางสเ้า ม, มาเสื้อพระพุทธเจ้าไปเสื้อใยเข้ามามคนทิดสีสูงหูสูงกับเสื้อกุญพระพุทธเจ้ า, ท, าที่ ผู no liebe, as, ador, ad, Leah, tekrar, ้อื nuclear, hn, utta, ่นบดีทอดพุทธเจ้าเขากอบระเชือแล้วบดีทอดพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเขาก็พรยอมเชือแล้วทางคำสอนของพุทธเจ้ามันเด่นกว่าโลกทั้งปวงทุกๆทุกสมัยอ่ะฉันสัวแต่ว่าของดีกขบงแม่ของดีแท้จริว่าของซัวมันก็บ่กเป็นท่ อันนีสิดีท้อคำสอนพระพุทธเจ้าเามมี่าสอนต้อกับเาหนิ่ได้สอนใคนอื่นแกสลพัเนี่ตการสอนต้องอะไรนะเขาหนิเมื่อไ่ะมาเกิดในวัฏฏสงสารมาสาตย์ได้พ้ไดกัมาแกมาแกมาตายำเก่าพ้มีมม่หรูใหม่แนวใหม่ นี่จะาเหี้งมาอยากนี่จะมาแกมาแกมาตายมาพกได้สะาไดา้ก็มาจะแกมาแกมาตายอยอะนี่ก็ต้องเมื่อยต้องละอาตัวหูห่องเฮียร์น้ซาละอาตัวนี่ซาเค็ดหลาบตัวพอห้าไปไสแม่ห้าไปไสปูยาตาทัวท่าไปไสเพิ่นออกเลี้ยงออกไร่เลียงเข้ามาพอแห้งนี่เพนนิ่นวันไดเพิ่นไรับความสูขขงเข้าเห็นเต็มตา ย, ยาไปเพิ่นกระแบมเมื่มอไปแย่แย่แจ้งเลยพ่อแม่เา ก็ไ่ได้เอาอีหยังไปน้าได้ลูกเพื่อกระหักม้วนเฮาปัญญาเนี่ยพัดโยพัดภาไปเฮากรฮักเพิ่นซําหยังเฮากอบพระยาคายพระตายเฮาก็เพื่อจาเฮาบกุ้มบกการกับอะไุกคนจะเป็นห่วงกันเขาเป็นห่วงเพิ่นเพื่อเป็นห่วงเฮานั่นขันว่าเป็นามุ่่น่ต่างตั้งอทุเสียมูวเฮาเพราะแบเพราหลบเนี่ยเฮากับไม่ใช่เวซ่าแ็บหลับเจ้ข้าประสบการณ์มา ควมเคล็ดลาบคือไปชนะควมเมาคือไปะนะควมเพิ่มควมหลงควมเคลลาบควมโงก็คือพระมาหาสติพระมาหาปัญญาคืไปชนะเป็นสั้นไปปัญญาเพเกิดเพราะว่าบ๊ะบล้มเพราะว่สนใจ ใจมันเป็นของทิพยเฮ็ดแทดีมันก็นดีเฮ็ดแทนซวมก็สั ว, สวอันไหจะไปซัวงา่ า, นนงายาต่อใจอันไหนจะไปดีง่ายต่อใจก็าไม่อันเดียวกันศีลเราไม่ตัวเดียวศีลใจสมารถภาพที่ก็ตั้งมั่นลงในใจปัญญาเขาหลบลู้ในใจอราม่ศีลสมรถาที่ปัญญาตัวเดียวเนยหมดรั่งห ด, ดลงมากเลยมันจะปฏิบัติง่าย มแข่งกินแข่งขี่แข่งแก้แข่งเก็บแข่งตายกันนั่นเองไม่ได้กินห้ายขี่ของไงเกิดโดดมาได้ก็ตามก็ไม่ควรตายสิกินอิ่มมาได้ก็ตามหอนมืออึ่นมากกับมันยาวอีกนั่นมันไม่แน่แน่เป็นจนกแน่ใ น, ว, น ว, วาระที่สองสามนั่นเอง หายใจออกหรหายใจเข่าหายใจคอหรือหายใจออกสัมสาลุกวัฏตทุกผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นโลกผู้ใดเห็นขั้วมุมันมุเทียงก็ผู้นั้นก็เห็นโลกและผู้นั้นก็เห็น้ำผู้สั่ผู้ใดเพื่อนน้ำโลกผู้นั้นเพื่อนน้ำหลมชางเพิ่ผู้นั้นเป็นแมงเมาเป็นเข่ากองไฟ ผู้นั้นเหลมสายคสอนพระพุทธเจ้าผู้นั้นเหลี่อมสถือแล้วเป็นยอดของขั้มเหลี่อมสายเมสายในไตรุกาตเหลื่ยมสาในทรัพย์ชิ้นผนอกลนันล้านคณะกิจมัทเอเหลื่ยมสในคาสอนพระพุทธเจ้าคณกิจหนึ่งรัตไกรซีีวะมิธบาตเชนาสณะแล้วที่อยู่ที่อาศัยของเฮา แสงหามาพ่อในปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ว่ามันเป็นแสงหามาเพื่อที่เป็นเพลิงเผาอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มองสันเอาโลดว่าแสงหามาเพื่อที่ด้ปฏิบัติเทียนถ้ำแบงเบลากัดออกวนันหนึ่งขึ้นหนึ่งวยผู้รขึ้นว่าเออผู้ได้เงินมาหายกกาชิกูชิเหตุกับท น, น่ตายก้อนบริเห็ุน้ำฝนกัเพี่บางเอาบักง่ายๆโลดสูผู้เหตไปแล้วเป็นสมือไม่ได้ นี่หนอยก็หนอยเหตหลายก็เหตหลายตามสติกาลังที่บ่คคออกบบ่งไงบ่ได้เือผู้ปัญหานาไม่อะเนาะเมืเ่อไปนอนในย้ากูกลัเอาสิทับประสาททั้งไวลาเดือดพ่อขค้ือนมาบา้านนะนตาเปามากเนือยประสาเาห็นจะกอดแกกอดเจ็บกอนตายเป็นแถวอย่เสมอมันทั้งเมย์อจะหางกระดูกเป็นแถวอยู่สมุรหลอกนังออก สมมติเราขัวออกสีคขัวออกก็สมมติเราสาวใสออกเต็มนี่คืออะไรวะนีออ่สมมติรหลอกนังออกตัดแขนตัดขาออกสมมติขีดเข่าเรหา้าออกสุทุกคนเต็มนี่มึงดูนี่มันสมมติปัญญามันอะไร เรื่องการห่าวนี่ยห่าวย่เ่มันยังนี่ยนึจะถาดินถ่านน้ถ่าไฟถ่ออ า, ไไาไไไไลมตัวกล่องเนี่เมือกี้อันเดียวกันแหละดินน้ำไฟลมเหมือนกันแต่แนมันมันไม่เป็นญ่างคลอกเสียงทุ่มเลยกิเลสเขาห่าวไปยึดถือเอาเลดินถายให้น้ำายให้ไฟายใหลมายให้อันเดียวกันเมื่อหลงดินน้าไฟลมก็ไม่แน่ลง มนุ่นเท่าดินน้าไฟรอบมันเหรอบเพามากามากก่อดินนําไฟร่อบเองแหละมือห่อมันโลกโกดหลงนี่มันเปลี่ยงมันว่ได้ด oh so ินได้น <Week> so ้าได้ไฟได้ร่อสมประสงค์มาก็โลกมันก็ะโขดมันกระลงจริาสังขารไฟนอกมันสมประสงค์ไฟได้มันเกิดขึ้นมามันกระแตกสลายมันกระสมประสงค์เลยมันสมประสงค์เขากำยังฝืนมนุษย์เนี่ยโอยคำว่าอ่อันเศร้าหรอก คนว่าเป็นั้ีกัเศราแล้ววะสันบือยักษม้าแล้วะสันบือยากมาในวัดตาสงสารอีกแล้ววะสันย่างเดีพิพพานคนละครีบผสมผสมก็สออย่างเี้เวข้าป่าคือกรุดออกผาเสือแขวย้ำกินย้อยที่แทรกบ่ไม่แนยำมาเนี่ตาเบิงทิแทกบ่ไม่แน่เบิงนก็ฟังเขาเนี่หูฟังก็สมอก็นี่ยหวเขาหัวเขาอย่ีนั่ง หายางเือสมุทรเท่ยส่เที่วหัวเขานะมันสมประสงอย่างนันนะหรือไม่นด้สมประสงสมประสงมันแค่เ้ารูตามไปจริงของเข้าหั้งสี่สมประสงการเข้ามารูปตามไปจริงเน่ยมเรียกว่าสมประสงเข้ารูปตามเป็นจริงตอนนั้ก็เรียกว่าสมประสงตอนนั้นกันเข้าหลงตอนนั้นก็เรียกว่าสมประสงค์ะพทธจ้าสอนให้รูปธรมเป็นจริงเนมันเป็นจริงหรือจังนึงเข้าหอนปฏิคา่หมายอะไรนี่น มันบ่มันบะเทียงไว้สกปนร่างกายนี่วสันเข้าไปตีควบไม้มาเขาไปลื่อามันทมันที่เทียงมันบ่สวยบ่งามในร่างกายนี่วะสันพระพุทธเจ้าพดว่าน่งเข้าไปฝืนที่เข้ามามาคือสมควรคือพรใส่พระสอยบ่ว่านั่นก็เกิดความดับก็หาระวองมาไม่ได้วะมีกับเวงกงคืนจริงยู้ยังสันก็มีกังเวงคืนถ้ามันมาเกิดมดับจริงก็มีกังเวงคืนผู้หลงก็หลงจริงก่มีกังเวงคืน ผูพ้พยายามพนพญายามยอะว่ามีกระเว้นขึ้นว่าท่านผะูน้สามทุ ก, กข์้จจะคองกับสางเยอะกว่มีกืเว i mean, ้นขึ้นผู้พญายามที่ออกจากทุกข์กับพญายามยอะว่มีกระเว้นขึ้นบอก่านผู้พ่พนไปแล้วก i mean, ็พ้นไปว่มีกือเว้นขึ้นพ้นจากความหลงจะคลองพรเกิดมาแก้ความหลงจะคของว่งมามนเกิดมาพอคุนความหลงจะคองว่ เทือถังหลายยัมาทเสมเ็จพลหันเธอถังหลายอาศุนอนใจเน้อสิเสียใจในผ้าหลังพระพุทธเจ้าเอถังหลายพ้นเถินมสดาบันเทอทังหลายก็จะสุนอนใจเน้อสันเดียวสิเสียใจผ้าหลังกันถินมัสดาบันไอเธอสิมีทีเฟิงอันเกษมสมกวนี้พระเจ้ามัสโซดาบันไม่มีสินหาหมดอิบุญเนี้ยมัสเซลัยอย่างดวงระมดสินหาเนี้ยเพราะฉันพระเฮา ได้พาา ร, ระโสาบันมติปว่าก็ได้แล้วมันเห็นเป็นชิ้นด่างชงิ้น่ออย่าง้เนี่ยเรือมันก็เรือก็ซื้อทุกขีตัวก็มีอยู่พานเนียท่ว่าอไผู้ลมต้มยุ่งก็มีอยู่ผู้ละคนที่ว่าอะไรส เธอทั้งหลายเปตุกโมระพกเธอทั้งหลายสิเดือสียใจในฝ่ายหลังได้เถอเธอทั้งหลายให้ย่านมระพกเดอ้อมาท่านปานห อ, อกเดอ้อมาท่นสมมุติเราห อ, อกสี่เธอทั้งหลายอยู่ทุกคนจะเจ้าสอนจะเห็นแก่ความกาตารับครับแต่อนอกในเดอ้อพี่หน้านี้มาท่านโตงเจ้าชาคณียานโยกประกอบความเพียรเพื่อจะชำนักใจของตนให้หมดจด่าเห็นแก่รับมากนะัก ลกอนเขาสัญาตเออวนเราจะนั่นรับหลายเรื่องข้องเลือล่นเขาใช้ไมจ้จกคนขวเรทั้งตะลางข้ามโมร้านไปนนลูกหาชินนนาถมปฏิบัติชิ้นามพุ้คิดผู้ใจลูกเขาใชมกจกคนข้วเรทั้งตะตลางมันยังเพราะง่ายพราะง่ายมัตยุราติเอาลงไปนอนแผ่นดินทำไมะอาจะตายดินไปไปดินหน้าไปไปหน้าไฟไปไไฟล่องไะไล่ง คือต่อเพร่มันเป็นเทมเพรคือต่อนอกมันเป็นรองข้อคือตอโต้มันจ้งเป็นโปโ ล, ปล เ, ออเป็นวะเป็นผ่อหายะเสียใจไว้น้ํนนาเาาพิินหวังเพิ่มตุ่นด้วยสมือข้ามาเจ้าตังสอนเพื่อเหนือก็ย่างตกไตหน้าพัดไตก็ย่างผ่าบาดาลมอดละมานแาย่ใจเจ้าจะเชิงไผ่หวังให้ผู่อยู่ท่าหลังท่าบุนให้ก็แสนไกลล้านโนดตามก็ย่มงตุ่อมากันกล้วยบนสวยพระฮอนถึง ตายไปไม่เอเรืกี่จงอยู่ดังลือกุศลจะไปหอดได้ในหันจีดขวงางหนะ้าถวกที่เขาซูคนนี้ผ้าเนี่ยมากก็ไม่เห็นไม่ท่าย่ทม่องมหาสมุทรตีมหาสมุทรคน ก็เข่าสู้พรใน่านไปอ่ะมันมัขอแน่หน่อยเยี่ยของเหลือวิสัยเพิ่ยังสิบเขาได้กันเพิ่นไปได้เข้าก็นจะไปะได้คือการตัวเขากินเข่าภาณหัวใจคือกันเข้ากับเขาสู้พในภาณหรือไปสวรรค์หรือไปพุทมโรก ห้องเสมา ว, าวยยม่ดมาเรียกตายอย่างนี้ก็ะป๋อยให้เขามาเป็นมนุษย์แท่นเท่าแดรบบจุ่มคอรอบเป็นตำแหน่งมนุษย์ก็ะมีอยู่สักทีเส้าสองเข่านักเสือกสักข้านไว้ในน้ำดำได้บิ น, น, บ, นบินใด้บนบินได้อากาศไปเนี่ยเขาก็แสวงอยากมาเป็นมนุษย์อยู่เพือกันกับเพ้าอ่ะเพาก็เคลื่อนตาแหน่งให้เขามาอยู่นท่าแดรบบ มนุโลกเทวโลกคมมโลกคมมโลกมีสิบสี่ชั้นมีสิบหกชั้นเทวโลกมีหกชัน้นในท่านดีในทัน้นซัวกับมอระกแไม่ใช่หลายสัตน์ไม่ใช่หลายว า, ายขุมยง 8, มังไงก็แปลกขุมบางไงคนแต่ละคุมละขุมก็ไม่ใ่บรรลวานอัพโขขังสร้างซัวอะไร อน้นงดีกับมนุษย์โลกมนุษย์ก็มีหลายสัตวหลายวันละอยู่ที่ใครสวนก็มีหลายสัตว์สัมจาตูมหาราชหาชิบวันหาชิบขึ้นจึงเป็นสัมจาตูมหาราชวันหนึ่งคืนหนึ่งอยวันลอยขึ้นในจาตูมหาราชจึงเป็นวันหนึ่งคืนนึงในสันดาวดึงลอยมือลอยขึ้นในสันดาวดึง จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในสัญญาม่าลอยมือลอยขึ้นในสัญญาม่าจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในสัญดุสิษดุสิตาลอยมือลอยขึ้นในสัญดุสิตาจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในสัญนิม่าลวตีลอยมือลอยขึ้นในสัญนิม่าลาวตีจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในสัญปริีเมตาวาสลาวตีน hmm okay ั่นสวรรค์หกครั้น่ พวกนี้อายุยืนนยืนสกวลนกพมัพวกพมพวกตายข้าพวาว่าในพวกพมอะไพวกแรระสมมาสร้างยางสามัญไปเกิดพ่อมมาไปซัทธาพวกรประสมมาสร้างสร้างทีเ่ ย้างกลางไปเกิดสั้นพุทธมปรโลกเหตตารประสมมาสั้นยางละเอียดไปสั้นไปเกิดสั้นพุทมปโลกเหตามหาพมทธมาริรรตาผ้าไปเกิดอัปปาาหน้าผ้า ท่านในทุติยธาพุภูมิปภัสกัจจาพุมิปภโรหิตามหาพพ ม, ม้าชาติชาติที่สองย่างสามัญไปเกิดปฏิตตาผ้ยาย่างกลางอาปมาหนาา้าภ้าย่างละเอียดอาภัตราตันในตุติยธาตุย่างสามัญ ไปกสัตวมาลสุภายางกลงปณิทตสุภายางละเอียดสุภเกินะกาสัจจตัสสะพระมเหสีเจ้าพระพุทธองค์ที่ต่ำมหาพุภธม้าปณิทตพระปมาลสุภาสุภเกินก เพราะสันติสีย า, สามันอาเนสัตตายางกางไปเกิดเวหภาภะราย่างละเอียดกับไปเกิดเวหาภะราคือกันแต่หาไม่อ น, นิสงมีอายุยืนวกานส่วนสังอวิหา สันพระอวาาามีไปเกิดสันอาตปาบวกพระอนณาคามีส so ันทุศษาพวกพระอาณาขามีสันทุศตีกับพระอนณาข้ามีอาวิหารอาตาุศทุศตีอการนิกาสั่นพวกพระอาาคามีเท่นั้นสพระสดาวันปนอยู่สพระสดาวันสวพระสกทามีปนอยู่สั่นดุสิตถกมี เทวพวโรทั้งหกพิฆมิตรผลจะพิฆมิตรคือแม่พระองค์เจ้ากุศลูุสิตแม่พระองค์เจ้าทุชิตานั่งเทพวันั่งสัตวทั้งสุตตว่าพระแม่พระองค์เจ้าพระพุทธองค์เกิดมาไรเกิดร่อนแม่พระองค์เจ้าสอนนักโทษไปสิบประชนมาายุไป ก็ไปเกิดในสันดุสิตธ์เนี่ยพูดละมัสสานาพระโคดมพุ่นมุยภูปฏิบัติศาสนาพระโคด ม, มทั้งสีรลงมาเกิดในเมื่อกุตุมะาวาัดีพร้อมกับพระศิยะเมตไตเชื่อเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้า มาเกิดก่อนแมีเกินก่อนภาษีเมีตายใช่มะแล้วเสียมาเกิดภาษีเมีตายแล้วมาเกิดน้าน้าเพิินอีกน้าแม่พระพุทธเจ้าห้องนี่เพราะแม่พระพุทธเจา้าหเน่าถนาเป็นแม่พระพุทธเจ้ามากาสาักกุ่นัแต่สักไดแต่ก่อนพระเจ้าที่ปกรพวหละและ้วก็ าเป็นพระเวสสันดรก็นา่งพุทธดีเนี่ย แ, แม่พระพุทธแม่แม่แม่พระพุทธเจ้าแม่พระเวสสันดร น, นั่งพุทธดีเน่าบกรมายาสีสนไส่มน่มาเป็นพระทุตโตทธธนะในสมัยเป็นพระพุทธเจ้าของเขาพุทคนันเพราะว่าพระสีสเมไสมาเกิดแล้วว่าฉันกต่ามาเกิดแล้วก็ไปตัวยกินขนมของเขาดีท่านมาเกิดตายงันเลยเพราะ สองเดือนสามเดือนนี่ยั ง, ง, งแต่าพนศาสนาเขาเห่าเจ้าพเจ้าพระเจาเขาเขาสู้พระนิพพานนี่ท่านพ่อสามเดือนนี้นยังน่งในสั่นดุสิตว่าทนพ่อสามเดือนจำเละที่ท่านมาเกิดทังไหนมาปัวเขาจะซื้อมาสัวนกิจขนมเขาถ้าบริษัทบด้วาร่ว่าายวายพาดเจีเจ้วจุนละมานีอยู่มือลมมอรเกตแสนโกรธผมเสมอเพราอเสียไม่ใจตื่นขึ้นมา คื่นขึ้นมาภาพบริสัสบริวานไปไหว้าตุเจ็ดแก้วจุลมะีอยู่าตเจ็ดแก้วจุลมะนีนั่นใสกระลุพระกููสันโธใสเกษาพระกููสันโธไวพระโกนาคามโนโไวพระกตโปไวพระโคตโมไวย่งชี้ยาเมตตายโยะนี่ย่งกับนี่พระชียาเมตตาภาพไปไหวภาพบริษัทบริวารไปไหวจังหวามาไลมื่นมาลแสนนี่ มาได้เงินก็มีบริวารเมินหนึ่งมาได้แสนก็มีแสนหนึ่งวันเนาะมาได้เงินมาได้แสนได้หนังสือพระเวสสันดรทอดอพศีอะเมจัยเนี่ยผ้ามุมาา้งม่ายเสูอเสมอพวกนี้ม้าวายแค่ไห น, นพวกนั้นสามบนนีงเพราะว่าอยากโลกมาเกิดเป็นมนุษย์โลกนะสั้นแล้วพวกพรศีอะมเมจัยนี่มีบด้วารเกียดแขนโกดผุน ทิรเด็มาเกิดน้เพ่นวั ด, ดววกระเฟอเลยบริวาพพรพชีมียตายเลยกินนับปราผู้ท่านผ่าก้าห้ยไปเฮ้กระถินนนาเพ่นน่ะกินนพะโลาโหน้ามาซือไว้กินกินนปากินเจสีก่อันเงี้ยนาใจว่านี่ท่านนี่นากะบดนี่กูเป็นคนทุกข์คนหน่กกูดะเอาผ่พาพื้นนี่ไปขายในนุ่งผาเอาไปตองมะฮ้องตามสระเอาขาไม้มะเลียนตวงบางตัวน่ยแล้ว เราตายไปกลางทนั้กลไปเกิดน้ำผึ uh, see, oh, see, uh, see, ้งมตตาคเดวเราจะได้ลองมาเกิดน้ำผึ้งเมตตาคนเป็นพระหันหลูกซิสคนๆหนึ่งพวกท่านเขาหายง้อหายกล้วยโอ้พวกผ่านเขาห้ยเล็กน้อยแต่ง้วแล้ว้วยมาหนึงอันเมีเมียเข่าไหลไปเกื่อง้อแต่ง้วยโอ้เจ้าไอ้โตเป็นคนเอื้เข่าไันเข้าอึ้เข่าเขาห่อเขาม้าบ่กินไอ้สันเขาไ หห้าวเกี่นน้ำีด้ไปร้างมาสั่นว่าจริงก็จินที่เชียวสั่งไ้ปันแมูคนนั้นบวชข้าวสมเอือดเน่ยบวชข้าวห่อหอไปอมันมันมอกรักตายไปแล้วไปเกิดน้ำเพชรียามีไตหมพวกนี้ศิเรมาล่งมาเกิดอีกเพรามัธยียามีไตพวกนี้พวกท่านเขาใหการก็สศิเรมาท่านเข่าใหการก็ยังได้บุญยังศิเรมาเกิดน้ำพระศีริยามีไตพวกนี้ สี่น่าเป็นสาวกคนท่ายัางกูสี่น่าเป็นสาวกพระหันต้ำเพลนนันมีตำนหนากละเอยียละออบัดขาสนาพุทธน่ยพระเจ้าพิมีสารมัเนี่ยสี่น่าพ่อมัสยิดเมียไตมัละน้าอยางนักข่อพวกนี้เป็นพระสวรรค์เอกพิชี่พวกเนี่ ศิลามาพอเนี่ะเอ ก, กพิชคือมีพืชอันเดียวเยิมาเกิดอีกแค่เดียวอเดียวแม่พระองค์เจ้าก็เป็นสัพพสวดิ์ันเอง ก, กัปพิชิหะละเออพุทธคันผมว่าพระชีอเมไตดใจมากเกิดแล้วผมว่าพุรธคันอยบรรพบกเนี่กับนี่อายอออออบ้านอะอ <c oughs> อยู่อเพเภอนากคก็บแม่สั่งเลยนี่สตรีกับแม่แล้วเขตีกัวตีกัวกินขนมเขาขอสังอส่งแบบว่าตายเนี่ยเมื่อวานสิที่ท่านมาอีกยัง่าสั่งเนี่โคตรตำหน่าพระพุทธศาสนากว่างขวางเลิกแรกพี่เจ้ า, าไปใชก็บ่ระ น, นมุมพระพุทธเจ้าพระสารีพุทนี่สางวันนี้มาอะไรจะกับจะกันมาเป็นททราามมาปพระสาในพุทธกระสามาไป้คอยเจ้าอโน ม, มาสีผน พระโมคคัลลาเทือกันนั่นเป็นสราระทาดาบทมีมดตำงาน่บริบูลณ์่งเทกันใดมัดเอาศาสนาอื่นเนี่ยฮะเนี่ยมีบอกสบับเมืองไทยบุคของศาสนาอื่นคือว่าจย่างไรเย่เท้แย่แท้ที่ว่าจ่านบอกนะม่มีเลยสูศาสนาพุทธว่ไาไรขันเอาหน่อยว่าเขาไว่ร้ายเขาล่างเกียบผู้เขาถือศาสนาอื่นแล้วว่าตามเขเป็นจริงนี้ลังเกียจจริงๆยังไง เนี่ยอดีว่าดีมันก็แหงบาปตัวเนี่ดีว่าพอดีมันแห้งบาปที่หันนี่เนี่ยอดีป็ว่าดีมันแหงบาปตัวหนนีน่ยดดีกว่าดีเป็นตัวมันก็จังไม่นักปาชว่าันมันก็บูมจักวันปฏิบัติบูจักวันเลียมใสลอันนก็สีดีมืดอันนีก็สีอดีมดตอนน้มันเท็จตอนนั้นดีตอน้มันดีก็ว่าดีตอนนั้นมันซัวกัจังมาซัวมันกับจังเมียน่า กีก้ทัวปิบัติว่าได้ดีแล้วมูห้องยิ่ดีใจยิตั้งใจปฏิบัติตามที่คำลัของใครของมันง่า จ, จะไปสงสัยที่ไปสงสัยอย่างนี้จะสิตายตัวมูห้องเกียมตัว ต, ตายเสมอเดี๋ยวนี้เกียมตัว ต, ตายยอันนเราให้มูเพื่อนมูพี่น้นองฟังกับอสตามเรื่อง่ซื้อน้มาเคยมาผาดเดีะะ๋ยอมือ่ว่าเอ้ ตอนนี้นะเมื่อไปใสอสั่นโอ้แก็ว่ไปใส่เราคนชีโลเพะฉนั้นแล้วก็แต่ว่ไปใสกับโยนี่กัดชีค้านเทศดิสตายแล้วค่เทศอโตก็ทั้งยากราะฉะนเทศให้ผู้อื่นกทั้งเทศมาลุ่มซวยหุ่มอยู่ว่าสั่นมันบางคนพอจิกเทศพริเป็นเที่ยวบาดเที่ยวผ้าบาไปท้งเทศได้ว่าสั่นผู้การะวังสิแต่อยู่นี่กเทศพวแหงแล้วว่าั่นเทศผ้าเทศน่ยอยู่กับิตายเทศจะพองอยู่นี่กับิตายพแห้งคนกับเทศได้ผู้นี้ว่าั่น ตั ว, วเราเบาสั่นว่าจักรเสมาโนแมนหนอออมรอกตาะภาษาของโต่สิออหรอกเลยว่ามันถือโต่ก็เถียงว่าถือของผู้อื่นกระอานเป็นได้อยู่ขอแต่จะพจ่ชนะเอาเถอะนะเกี่ยมตัวตายทุกคนผู้ใดก็ต้องเกียมตัวตายทักคนเพราะว่าน้าว้ถจะเกียมตัวตายตัว ไม่ทาเตรียมตัวตายคือภาะวาระได้เดียวนี่อ่าเตายทุกคนทุกคนคเตรียมตัวไว้สันตวามายาย่าสิตายม่อยาสีบาหาพรวาระไปเจดินว่าเสียไปไสบุตรตีทีฟ้ากับ ป, ปนานสารภาพเลกสักขอแลบเรี ย, รยนพินตาุณ์กเ็เต็มที่เราไว้น้อ โอ้ยทานห่อยค่อยกายท่านหลายค่อยเวีนทหออยังให้เรียบดีดตาตค่อยเดี๋าว่นาดีีตัานหน่อยค่อยกายท่านหลายค่อยเวีนใกล้สะตายมากเลยทา่วนาเป็นที่กทักว่าลูกเป็นที่ักว่าเห็ น, นพราผมเา้มาย